อย่างนี้ครับนี่ก็ควรเพราเพราะหากว่าเราเห็นโทษมันเห็นความจริงแล้วแล้วก็ลงมือทำเลยลงมือทำนะใครไม่ทําก็ช่างครับทํามันคนเดียวยทามันไปเลยกับเราหาธรร ม, มะมใครว่าผิดดืดอูก็ช่างมันจะทํามันไปก่อนลลงมือทำ เน้นำคำสอนพระพุทธเจ้าเรามยูอยู่แล้วทำเกิดผมก็ควรจะทำผมเคยอธิษฐานในจิตของผมแบบพระพุทธเจ้าเป็นหปีกันสัจะจะรู้ธรรมะนะพ็วาท่านสอบคนท่านมุ่งจริงๆนะ6ปีนะ คนทุกวันนี้หกปีเท่นั้นเลยครับกนะ็จะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างต่อสุควรถ้าเราทํานะลองลอ ง, ลองดูสิอืขยันเกียดข้านไม่นับมันครับถึงเวลาทําเรา ท, รทําำไปดีๆไม่ใช่ว่าเกียดข้านเนี่ยทำขยันเราทําไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันก็องมีคนเราอีกแหละอืม เกียดข้าน ไ, น, ข น, นไม่ต้องทำขยันจึงทำผมก็ไม่ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าสักนิดอะไรเราชอบเราก็ทําไม่ชอบเราก็ไม่ทำนี่ครับนั่นก็เป็นทีคณะ ก, กรามหรืาเลี้ยงยาวไหมอันไหนชอบข่าสาเอาอะไรไม่ชอบค้าไม่เอาอันไหนควรแจกค่ข้าข่ า, ขาเอาอะไรไม่ควรแจกค่ข้าค้าไม่เอาก็ออกไปโน่น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 เพราะมันไกลออกไปทุกทีทุกทีแล้วนะเ๋ยวควรพยายามับคนเรานี่มันกลัวนะครับมันกลัวกลัวมันถึงมีปัญญานะผมนี่มันหมอกลัวแลลวกลัวผีกลัวเลข บางทีไม่ได้นอนเนี่ยเขาอยู่ในป่าในภูเขามันกลัวไม่รู้มันกลัวไม่รู้เรื่องมันกลัวนอันนี้มีประโยชน์ครับไม่ได้ม่ได้นอนครับไ้่ได้นอนมันจะเกิดความรู้สึทธ์ระวังอยู่เสมอไอ้คนไม่กลัวนั่นก็นอนเท่านั้นเนี่ยมันไม่ระวังอะไรแล้วสุขเนี่ยมีเพราะว่ากลัวเนี่ยมันดีมันจะรู้จิตใจมันจะขอมเห็น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 ยืนยังไม่บายแเราพอใจบอบบายแล้วแล้วก็ฉันอย่างเงี้ยฉันแล้วมันก็ยังไม่บายเนี่ยผิดผิดแล้วครับผิดแลยเป็นอวัตเนี่ยถ้ายังไม่บายก็ผิดครับทําไมมันประมาจเนี่ยถ้าว่ามันบายอย่างทําไงล่ะ <c oughs> นี่นี่หละครับ <c oughs> เป็นนวัตสงสัยแล้วพื้นธรรมลง <c oughs> ไอ้พี่ว่าไอ้ไอบริสุทธิ์ที่มันหมดสงสัยเนี่ยครับพีมันไม่สนใจ ถ้าว่ามันผิดอยู่เราสงสัยอย่างงี้มันผิดมันก็พกรูปพอประมาณไม่ได้สงสัยว่ามันมันไม่ผิดนะไม่สงสัยแต่ว่ามันผิดอันนี้ก็มีทางมากที่มาที่ตายมันตายมันเที่ยงหรือยังไม่เที่ยงสงสัยนเนาะไม่รู้เที่ยงหรือไมเที่ยงไม่รู้ถามมันไปด้วยครับสงสัยแล้วคืนทาผิดครับถึงแต่วันยังไม่บ่ายก็ผิด ทำไมถึงถึงปรับคนไม่ผิดมั่นผิดครับมันประมาทถ้าว่ามันยังไม่บ่ายถ้าว่ามันบ่ายไปสัมมุทเสียเท่านั้นนี่ครับอย่างนี้เหมือนกันรุ่นปฏิบัติสมัยสมัยนี้เนี่ยวันเนี้ยผมยังบุญผมยังมีเกิดทันท่านอาจารย์มัน่น แค่อาจารย์มันท่านปฏิบัติไม่ใช่ท่านรีปลุกเสกอะไรหรอกครับดีรานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศนี่เนี่ครับเดินกายวาจาเราเท่านั้นเองมันีก็ยังมาถามมันสะกดจิตมันเป็นไม่ต้องพ่อเขาสะกดจิตไม่รู้เรื่องอะไรอัต ม, ม, มาสะกดจิตต้องให้มันรู้จักสะกดจิตไม่รู้เรื่องไหมครับ ว่ามันมีความโกรธเกิดขึ้นสะกดมันไว้ใหญ่มันโกรธขึ้นมันจะโรคสะกดมันไว้ก็รเด็พิจิณามันอันตรมาสะกดอย่างนี้ไม่ใช่สะกดให้มันตัวแข็งไม่ให้มันรู้เรื่องอไม่ใช่อย่างนั้นสะกดแต่มันรู้จักทุกวันนี้อที่ี่การประพฤติปฏิบัติจยิ่งไปกันใหญ่ครับคุณฑบูลูกหลานที่จะเกิดมาเนี่ย ทีหลังผมมายิงหลงเงินใหญ่เดี๋ยวนี้เขานั่งทางในกันชอบนั่งทางในกันโอ้ยมาผมมันงพอนั่งทางในโอ้ยนั่งทางนอกมันก็ยังจะไม่ค่อยได้เลยแค่นั่งทางในไม่รู้เรื่องกันแล้วทุกวันนี้มันจะเชื่อกันโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรครับพูดสิ่งที่ไม่รู้เรื่องกันมันชอบวังชอบสนใจอพูดที่ไม่พูดที่รู้เรื่องกันไม่ค่อยสนใจแต่มันชอบกันยังเงินไปด้วย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 จับเป็ดมาเลี้ยงมันเป็นหน้าที่ของเราให้อาหารเป็ดก็เป็นหน้าที่ของเราครับเท่านี้เรื่องเป็ดมันจะตัวเรียวตัวชามันเรื่องของเป็ดครับอย่างนี้เป็ดมีเมยมันนานโตเรนะเกินเนี่ยมันยิ่งมีราคาเกินจะให้มันเกิดสลายกิโลขึ้นวันสองวันไม่ได้ครับมันเรื่องของเป็ดเรื่องของจะของเป็ดมันจะให้อาหารมันกินในฐานั้นแหละมีหน้าที่ของเรา เรื่องเป็ดจะโตัวเดียวตัวช้ามันใช่เรื่องเรามันเรื่องของเป็ดครับอย่าไปอย่าไปทํางานของเป็ดต้องทํางานเราเอาข้าวให้มันกินให้อาหารมันกินรักษามันเท่าเนี้ยอย่าไปวนเวียไปเป็ดมันนานโตเยอะเกินมันยิ่งมีราคาขึ้นหลายกิโลสแสดงว่าอยากจะได้เงินนี่ครับไปบังคับยังไงไม่ถูกแล้วด้วยจะปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยหน้าที่ของเราปลูกต้นไม้หาพันไม้มาแเราทำมาปลูกทํำดุทําอะไร ให้ปุ๋ยมันให้น้ำมันเป็นเรื่องของเราเรื่องต้นไม้จะโตเร็วโตช้าไม่ใช่เรื่องของเราครับมันเรื่องของต้นไม้อย่าไปบังคับมันเลยให้ต้นไม้มันทำหน้าที่ของมันไปแค่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้น้ำให้ปุ๋ยรักษาแมลงมาให้นี่ดีกว่าครับสบายนี่อย่าไปแยกหน้าที่การทำการประพุตปฏิบัติของเรามันจะเร็วมันจะช้านั่ะครับดูปฏิปทาของเราเถอะอย่าไปบังคับมันปฏิบัติอย่างนี้มันก่อ นี่รากฐานดีครับมีรากฐานดีปฏิบัติง่ายง่ายเราวันนี้มันเกิดขึ้นมานั่นกับเราก็รู้มันจักทาไมเราถึงรู้มันก็เพราะเรารู้จิตเราอยู่นี่ฉลาดในการดูจิตฉลาดในการตามดูจิตของเราอยู่เสมออะไรมันเกิดขึ้นมาอันนี้ผิดไม้มอันนี้ถูกไ้ยอันนี้ดีไหมอันนี้ชั่วร์ไหมนนไม่ต้องคิดนวนว่าย แม้อันนี้ดีเรียกเกินก็ให้มันดีอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่เที่ยงอันนี้มันไม่ดีอันนี้มันก็ไม่เที่ยงพูดถึงอารมณ์นะแล้วตามเรื่อยๆไปเงี้ยครับนี่คือทางมันตรงแล้วครับทางมันตรงเรียบครับที่ว่ามันชอบใจนี่ไม่แน่ครับมันไม่ชอบใจอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนี่เราดูนี่คือทางตรงเล้วบครับเราจะเห็นความไม่แน่ ของความดีหรืความไม่ดีนั่นจะเห็นความไม่แน่ของสุขหรืทุกข์อันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ทําอย่างนี้ตรงไปงนี้แล้วรู้จักวันหนึ่งต้องพบ ก, กันเลยครับเท่านี้สุขนี่มันก็ไม่แน่ทุกข์นี่มันก็ไม่แน่ชอบใจมันก็ไม่แน่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่เราสรับมันไปไดืด้ออืมทิรวามันไม่แน่เรียกว่ากบฏราคาเท่านั้นแหละครับอืมทิรว่ามันไม่แน่เ ด, ดาานนเว มันไม่เพิ่มราคาแล้วมันจะหมดราคามันไปเรื่อยๆครับทางเราจะเห็นว่าเอออันนี้มันไม่แน่จริงๆเนะแตวทางที่เราพูดว่ามันไม่แน่นี่เป็นภาษาที่พูดอาการที่มันเป็นแท้จริงมันก็ไม่แน่จริงๆคบเห็นเห็นสองอย่างนี้อือันนี้ก็เรียกว่าเราว่าไม่แน่ก็เราพูดว่าอันนี้ไม่แน่ก็พังทุกทีอืม ที่ตรงไหนว่าไม่เน่มันทั้งเลยล้ะครับตัวนี้มันถูกนีอันนี้มันเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสนาครับเนี่ยอันนี้จังทุขังหน้าตานี่อารมณ์ของวิปัสนาครับไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นอารมณ์ของวิปัสนาเราคอยจ้องเท่านี้แหละครับปัญญาเกิดแล้วก็เกิดแล้วก็เห็นเลยวก็ว่าเห็นนี่เห็นจริงที่มันไม่แน่ยนะครับ รูสิเอาสิมันไม่แน่นี่ครับแล้วก็ตามมันไปเรื่อยสุกเกิดมามันไม่แน่นะสอนใจเราไว้ทุกเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์ใจกูไหนก็ไม่แน่เหมือนกันนะเอาละครับเรียบพุกกันจนได้ครับเนี้ยวเห็นชัดเลยเป็นสัจธรรมจริงๆจะเห็นอ๋อมันสุขมันก็เท่านั้นแตะทุกข์มันก็เท่านั้นนั่นนะทางนั้นเนี่ยนู่นราคาเท่นั้นนะมั้งแต่เราทนไม่ได้ครับ จะค่อยทนไม่ได้อะไรมันไม่แน่อยากจะให้มันแน่อยากจะเห็นนเรียวเข้าอย่างนี้มันกป็นลบากนะอันนี้เป็นว่า ก, การปฏิบัตินี้ก็ค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆดูไป ร, รอบๆไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มีปัญญาให้รู้จักฉลาดในการตามรักษาจิตของตนมีอุบายสอนจิตของตน เนื้อฟูรี่ค่อยๆไปสมองสมอให้มันรู้ให้มันรอบอย่างเราเสดงะาครูบาจานไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนู้นไปตรงนี้อยากสีกยะฮะตูบาจานตรงนั้นเป็นกระจา่างไปตรงนั้นก็ไม่กระจา่างไปนิดหนึ่ง ให้ความเจริงนั่นอาจารย์น่นความพูดจากความจริงให้ให้ความกระจางแล้วไหมนะให้เป็นที่สังเกตแนวทางอย่างนั้นมไม่กระจางครับอือมไม่กระจางไอ้ความเป็นจริงเนี่ยท่าพูดเนี่ยก็ไม่น่าฟังนะคำพูดเนี่ยใครยังเชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธเจ้ามไม่สั่นเสรนี่แหมจะตัดเรานี่ยนะเออ เชื่อตามคนดีนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่สนเสริญให้เชื่อหรือตนเองอันนี้มันเหมยากนะมันเหมือนยากไอ้ความจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไปดูข้างนอกจะมากคือความจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นจริงครับเห็นดูรู้มันไม่รอบ นองตัดสินใจมันเสี้ย ocas, ปฏิบัติมันจริงๆริอยู่กับเพื่อนนี่แหละครับเจริมีปัญญาเนะี่ยอยกับเพื่อนเกลี้ยกล่อมทำด้ว เ, เพื่อนผู้นี่เนี่ยเจริญมีปัญญาทำขี้เดือดหลายอย่างครับที่มันเกิดมา บางทีจะเห็นว่าอันนี้คนมันน้อยไปทชนีดคนมันมากไปอะไรอย่างเงี้ยนคะับเราไล่เราไปด้วยด้วยนี่ในความเป็จริงคนมากเรยคนน้อยไม่ใช่มันจะเป็นตรีดแล้วก็ไปจับมันมันก็กัดเราเขาก็เป็นขเขอ้อโต้อย่างเงี้ยคิดลองคิดมาแม้ปีนี้ผมไม่ได้ภาวนาเลยครับตั้งป่วยก็กทั่งปีเลย นึกว่าคิดถูกแล้วผมว่าคิดผิดมันป่วยมันใกล้จะตายทําไมมันเมนื่อยภาวนาเนาะผมว่ามันยิ่งเงรี่ยงไปพังเออมันจะตายเมื่อไรเนี่ยมันเห็นตายแล้วมันจะเล่ยงภาวนาเขาเนี่ยแต่คนเอาแม่ปีนี้ผมป่วยกระทั่งปีไม่ได้ภาวนาเลยครับนี่ว่าหางที่สุดแล้วห่างจากการภาวนาที่สุดแล้วครับผมว่ายิ่งป่วยมากกันนั่นเลยภาวนาดีแล้วมันใกล้จะตายแล้ว ผมก็คิดไปอย่างนี้ครนี่ถ้าเรามันไปยึดอยู่ในทุกข์มันไม่ได้ภาวนานะครับนะถ้าปีนั่นมันไม่ป่วยมันก็สุขมันก็มาติดสุขที่เท่านั้นแหละถ้ามันไปยึดทุกข์มันก็มายึดสุขนี่แหละถ้าไม่ป่วยมันก็เชินในกามเท่านั้นเนี่ยถ้ามันป่วยมันก็ทุกข์หรมันก็ติดทุกข์เท่านั้นเนี่แต่ทุกข์มันก็ยังติดทุกข์ทำไมมันจะไม่ติดมันก็ติดอันเดียวกันอันเดียวนั่นแหละครับ จี้มันได้เลยกับตรงนี้หมาจำมันตรงนั้นเลยแต่ว่าเราไม่คิดซ้าไปอีกเราคิดว่าเห็นถูกไนะแม่มันทุกข์ภาวนาไม่ได้ดอกนะสุขมันสบายนั่นแหละยิ่งตัวร้ายแหละสุขเห็น <c oughs> ไหมเออมันสบายเพราะไอ้จอบใจเราครับมันติดสุข แต่เราคิดแม่ปีนี้ผมป่วยไม่ได้ภาวนานเลยมันทุกข์เลือเนปีนี้ไม่ป่วยเป็นสุขสบายอะไการมาสุขนิการโยโคอัตตะจิรมัตฐานิโยโคพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไหนไหมเนี่ยท่านการรู้ธรรมมาโผมาตอนเทศตรงนี้เลยครับผมก็ฟังถนัดเหลืวเนีน ทำไมก็เพราะท่านเป็นทาสทมานานจะแล้วนี่พอดีสั้นในบรรุมรรคผลที่พานมาทางกระโโตตรงนี้ใสเลยครับทางของสมย่าเดินสองข้างนี้ท่านเห็นโทษมันมาแล้วท่านพูดเท่านี้มันก็มีความจริงเนี่ยครับอัจจะกิริมาฐานมิโอโภอ มันก็สุกกระทุกนี่แหละครับถ้าเราไม่รู้มันทั้งสองอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้นั่นนี่นี่ว่าเราพ้นจากทุกจะไม่ใช่พ้นมันสุกนี่มันมาติดสุขเหตุสุขมันสุกเลยนะครับมันจะทุกขอีกแล้วนั่นนันจะเป็นอย่างนี้แต่คนเรามาคิดข้ามไปเนี่ยอยู่กรามนี่จะไม่ล่ะอย่างเราอยู่ที่ไม่น่าจะอยู่มันไม่เคยสบายใจนะอยู่คนเดียวก็แหม่มันทั้งปีนะ อยู่ก็ที่มันสบายมันถูกกตัญหาแหมอยู่สักดือนหนึ่งมันก็ยังไม่พอมันหรอกออลองไปดูหน่ะหนักก็ไปเรื่อยๆอย่งนีไ้ไม่รู้โดยมากคนคิดข้ามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คิดข้ามไปทุกวันนี้ยิ่งละที่ปฏิบัติมันหลายครับ หรือใช่อันนั้นมีอปาตัวนโตไปทรอมนนั้นอีกหรือใช่อันนั้นก็ไม่รู้เรียกสก า, ายกลางคันเรียกแตภาวนาอันนี้ก็ไปน้นสงสัยอนนาวนาตรงสงสอุ้่นวายขนาดเรียกว่าก า, ารภาวนาไม่ดูเรลองลองคิดดูสิลองไปคิดคิดคูสิ น้องๆดูที่ว่าถ้าอะไรไม่เกิดทำไมไม่แน่ครับสุขเกิดขึ้นมานี่ก็ไม่แน่ทุกเกิดทำไมขี้มันอยู่งี้ครับเอาอยู่นี่นี่ครับไม่แน่ฉะั้นสุขมันก็ไม่แน่ทุกมันก็ไม่แน่เรื่องมันต้เห็นจริงๆเหรอครับมันจะไปที่ไหนจะย้ายที่เนาะย้ายที่ไม่ได้เหมอมันสุขมันจะสุขไปถึงแค่ไหนอยู่มันสุขมันก็ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อยู่นั่นแหละ เดี๋ยวมันทุกก็เปลี่ยนไม่แน่เราเห็นน้าเห็นไหมล่ะทุกข์เลยอย่าเพิ่งย้ายที่มันนะครับไม่แน่ทุกขว่าม่แน่อย่าเพิ่งย้ายมันไปนะครับอยู่ตรงนั้นเลยไม่แน่ตรงนั้นแขวงทางอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวทุก้วก็ไม่แน่เหมือนกันเนี่ก็มันเป็นอย่างนั้นก็เห็นเนี่ยครับนี่เรานั่งฝ้องไม่พอสองนาทีเราก็ไปแล้วตรงโน้นดีกว่าไปตรงนี่ดีกว่า ไปตรงนู้นดีกว่าเลยเลยเลยไปกันไม่หยุดเรื่องภาวนาก็เรื่องื่องให้มันสงบเรื่องให้มันสงบครั บ, ร ค, รบคิดว่าถ้าเรามีโทษอยู่นะเราหนีไปใช่เรนะาหนีไปใช่นนะ นี่เป็นโน้นที่เขาไม่เจอกับเราไม่เห็นกับเราอย่างเราเป็นนี่เขานะ่ะเม่มันวุ่นภายหนีมันไปแทดีก่อนให้มันห่างเจ้านี่นะมันก็สบายครับแต่ว่าเมื่อเรากลับมาบ้านมาเห็นเจ้าหนี้มันจะเป็นยังไงนี่มีเรื่องสมาธิครับมันสงบอย่างนี้ตอนนี้อารมณ์ไปเสียมันก็สงบครับ ตาไม่่อยจะเห็นหูไม่่อยด้ยินเนี่ยมันก็สบายไปซะนั้นเลยแต่เมื่อเรามาได้ยินมาเห็นอีกมันจะเป็นยังไงเราหลบนีเจ้านี้ไปซะครับไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดกันมันก็สบายไปจู่คราวไงเมื่อเรากลับมาบ้าดมาพบเจ้านี้เป็นยังไงนะ <c oughs> <c oughs> กอยังเรื่องมันไม่เสร็จครับมันก็เป็นนี้เรียกว่ายความสงบมันมีสองอย่าง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 เราเสียนตระไปนะถ้าใครไม่รู้ล่ะที่นี่เราก็มาบดวดเราเข้ามาอยู่ในวัดนีน้มาเราจะไปทุกคนเดียวเสียอันตระเราไปแต่แล้วสงฆ์ไม่รู้ด้วยกรช่างครับเราเป็นบาปอยู่คนเดียวเนี่ยมันสงบไหมเนี่นใช่ไหมมันสงบไปเราลูกคนเดียวมันก็ไม่สงบอยู่แล้วเนี่นครับอือันนี้ครับมันมันมันเป็นสิ่งที่มันสําคัญอยู่นะ จะไ่คิดไปอย่างอื่นมันก็ไม่ไปมั น, มนอยู่ยงั้นตรงนี้มันก็เป็นของสำคัญไม่เอามันเร็วมันช้าหรรับปฏิบัติแล้วนะตรงมุงวังอะไรมาก ผมไปพบเพื่อนองค์หนึ่งอยู่ลบบุรีลบบุรีนะเป็นลุงตาท่านวดมาหลายครั้งนะก็จากผมไปภาวนามาแล้วนากาึกว่าแม่ท่านอาจารย์แม่เดี๋ยวนี้ผมดีใจซะแล้วนะทำไมผมเชื่อแน่ว่าผมบริสุทธิ์จะแล้วทำไมเป็น้นแม่ผมไปผวาดเดี่ยวไปปราบพร ะ, ะไปยกประ ถ้าข้าพระเจ้าเจะบริสุทธิ์แล้วเขาขอให้ยกนี่ให้ขึ้นเลยถ้าไม่บริสุทธ์เดยยกใหญ่ขึ้นโดยอธิษฐานอย่างดีเดี๋ยเขาไปยกแม้ธรรมดาเขายกมาขึ้นผมยกมันขึ้นแม่ดีใหญเลยนี้ครับมันผิดไปหลายร้อยกิโลเลยครับเมื่อเาไปฝากไว้เับวักถุนี่ครับมันไม่ได้เรื่องใน ร, ราวเลยครับนี่เท่านี้ท่านก็เข้าใจว่าท่านหาพยานไม่ได้ ก็ เ, เอาพยานอย่างนั้นเลยดีใจว่าบิสุดแล้วไปได้แล้วทำไมยกพระขึ้นมันไม่น่าจะามาพิจารณาในเรื่องอันนี้นี่เท่านี้ครับเทา่านี้วัตถุเทา่านี้อันนี้พระบาไม่มีคอา์หมายต้องไปเสียงทายต้องไปอะไรเอางั้นเลย อทุกคนกับคงจะเอาบังไหมฮึฮ <c oughs> มันชอบจะเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัติใหมินบางทีนอนฝันวาเออมันฝันดีอย่างนั้นแหม่ดีใจหรือเกิดในหรือว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอออันนั้นไม่ดูจากมงคลตีดข่าวเลยนะเรื่อง ไเชื่อคาดจะณีเอาเดาเอาไงไ ม, ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่ครับมันไม่จริงอย่างนั้นนี่ครับมันไม่เป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นตัวจริงมั น, นถ้านนั่นก็ดีใจอย่างคนในโลกเลออมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ฝันไม่เคยดีอะไรเมื่อคือมันเป็นเรื่องของคนในโลกเขาควรจะเป็น เรื่องกระภาวนาแล้วไม่ไมันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของอย่างนี้มันยิ่งไปกว่านฉะนั้นึี่ไอพรโยอายุบนโนณูสุขังพลังก็พอแล้วอายุหายายืยนยืนในมีความสุขก็พอแล้วเจ้าพระไม่เอานะอายุวโรณูสุขังพลังนะครับ ไม่เอาไม่พาใจครับอเอาไหมอยากจะเอาไหมอายุวโนสุ ข, ขงังบาลังมันมันเสร็จสิอย่างมันจบเรื่องมันหรือยังอายุมากนานตายเนี่ยดีไหมเอาไหมเราควรพิจารณาดูใช่ไหมแต่ว่าวโลกเก็พอมาดีแต่เราเห็นมันไปแล้วเราคนหนึ่งแบบแต่เราก็แสวงเอามไม่ได้หรอครับ ก็อย่าพึ่งไปดีใจเสียใจกับมันเลยเนี่ยแต่มันจะเป็นไปแต่นั้ น, นบางคนก็ดีใจเรื่องคือมันไม่มีที่อยู่นะครับคนจะมีที่อยู่หรือฟังไม่ออกคุณฟังไม่ออกครับ ที่อยู่ตรงไหนมีพบตรงนั้นเขาจึงเรียกว่าที่อยู่ของเขาถ้าตรงไหนไม่มีพบนั้นเนี่ยาหาที่อยู่ไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นมนุษ้์แต่มันพุ่งเกินไปนะถึงสุขเขาชอบลองมาทุกข์ทางกลางนี่เขาไม่เห็นทังกลางไม่มีที่อยู่เับไม่มีที่เกาะเหนียวกระจาย กล่าวทั้งเหนือพระนิพพานม่มีเกิดมีตายโอ้ยเขาไม่เอาเนี่ยครับเขาจะไ่เห็นหน้าดู๊กหน้าหลานเขาไม่เห็นหน้าเพื่อนเขานี่มันเป็นซายอย่างนี้ครับมันพูดถึงไม่เข้าใจมู้เรื่องันผมมาปรับใจมันดูซิครับไม่ต้องเอามากอะไรทัไรหรอกเอามันชิ้ห้าวันเอามันจีนจังะแต่ว่าจะให้บังคับมันนะ จะให้เป็นอัตตะนะนี่มันพอดี น, น, นะพยายามทามันเ้วยคือพูดไปทุกสิ่งที่ไม่เข้าใจของคนมันตราพูดอย่างโลกเขาเลยพูดมันต้องมีเหตุผลฟังได้ถ้าไม่มีเหตุทีผลเขาฟังไม่ได้ ถ้าพูดถึงมาเกิดตายเขาดูเรื่องพูดถึงไม่เกิดไม่ตายเขาไม่ดูเรื่องพูดถึงเหตุผลก็ก็รู้เรื่องพูดถึงเรื่องว่านอกเหตุเนื้อผลเขาไม่รู้เรื่องนี <c> ่ <oughs> มันเป็นใจ อ, อย่างนี้นะจะเอาอยัางไงกันเนี่ยอืมอันนี้มันเป็นธรร ม, มาชาติที่ไม่มีใครบอกให้ปฏิบัติไปเท่านั้นเนี่ยให้ปฏิบัติให้มันรู้เฉพาะเจ้าของ แต่พระพุทธเจา้าท่านบอกได้ท่าก็บอกได้ม่เนี่ยถึงแก่นั้นไปฟังวันนี้มันเป็นวันที่จะชวนเจะาท่อพรรษาแล้วยขอวัดปฏิบัติอันใดเจ้าพ่อวัดหัองประโคงที่ทำกันมานี่ผมก็ไม่เคยได้พูดอะไรมากวันนี้เป็นโอกาสดีจำเป็นจะต้องพูดสำหรับที่ว่าวัดหนองประโพงเนี่ย ปฏิบัติกันมาอย่างไรอันนี้มันจะต้องพูดกันบ่อยเพราะว่าคนเก่ากคนนี้ไปเนี่คนใหม่ก็มาอีกเไยคนใหม่อยู่ไปภรราษาหนึ่งก็เป็นคนเก่าอีกนี้ไปอีกคนมาคนใหม่ก็มาอีกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายนั่นนะจาเป็นจะต้อง อบรมกันบ่อยถึงไม่ว่าจะใครจะรู้อะไรมาบ้างมากมาย ก, ก็ตามทีเรื่อว่าอันไหนก็ตามเหมือนเรามาพูดส่วนที่ว่าเราปฏิบัติร่วมกันอยู่เท่าที่ผมเคยไปแสวงห า, าโมกขธรรมเนะ่หลายแห่งซึ่งทั้ง ไอ้พวกเรานี่ก็บวชมาแล้วก็เรียนหนังสือผมพยายามเรียนหนังสืออยู่พยายามแปดีผมเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เก่งอะไรหรอกเรียนไปอย่างนั้นแหละตามภาษาภาษาก็คงเข้าใจว่างเว้นบางอย่าง น, นอกนั้นไปคิดออกจากปฏิบัติผมก็เลยออกปฏิบัตินึกว่าเป็นธรรมดานะ เลยมากเรานัก บ, บวชมันเป็นสองมีกายเป็นธรรมยุทธมีกายบางเป็นมารมีกายบางจางกาัน้วยเกินครับเท่าก็ไม่ไปได้จะออกปฏิบัติเพราะมื่ว่าจะทำไงดีนาะแสดงหาครูบาอาจารย์ว่านี้สองข้าง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 ไม่เป็นที่พอใจในข้อปฏิบัติที่เราศึกษามาก็อ น, อนี้ไปก็ไปถึงลบบุรีแห่งไปศึกษาข้อปฏิบัติทวีไนยตลอดพรรษ า, าเอออันนี้พอใจ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 ผมไปฟังธรรมรท่านอาจารย์ตรงนี้จริงที่แปลกประหลาดหลายอย่างที่ก็ภายหลังก็มารวมกันเราจะเอาไงดีเนาะมารวมกันเนาะถ้ามาวัดไปกันแล้วนะครับธรรมยุทธกับมานิกายนี่ผู้ท่านคือปฏิบัติรวมมันกลายกันมากเลยครับกลายกันเดียวอืกลายกันมาก ไกลกันใจก่อนผมก็สายทำมยุทธมรดิกายนี่ก่อนนี่ถูกเขายุ่กับปัดบ่อเหมือนกันแหละคนเหมือนกันไหนทําไมมันถืออะไรยังไงอีกหุดหวายอย่างนี้แต่ความเ็นจริงมันเป็นที่ดีมานะของเราความเป็นจริงองเข้าไปฟังท่านอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วนะี่ยก็เรียนมาดีมาบ้างก็เรียนนักธรรมมาบ้างถึงมาทำบิดา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 พยายามตามรู้จิตของเจ้าของจึงจะรู้ว่าอาการจิตอันนี้มันเป็นอย่างไรครับนะมันอยู่ตรงนู้นมันเป็นอย่างนั้นแท่นั้นผมจึงไ้ศึกษาข้อปฏิบัติอันนี้โดยเฉพาะมาโดยการพิจรารณานะโดยมากก็ไม่ไปมากองไปองค์เดียวครับ ไม่อาศัยพระที่ปฏิบัติท่านอยู่เขามื่อยู่ไปเขาให้นั่งท่ายแถวว่นนั่งเขาให้ทำโมโสดะทําไม่ทําผมก็ไม่ทําผมเห็นเหมือนเป็นเรื่องบล็กเล็กนิดน้อยไม่เป็นเรื่องสําคัญขอจะเราอยู่ไร้ความตรงนั้นด้ปฏิบัติในดูข้อประพฤติปฏิบัติเท่านั้นนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอะไรเข้าไปไม่ได้ยี่อะ ทีไห น, นเขาว่ามันเคร่งทีไห น, นเขาว่ามันตึงทีไห น, นเขาว่ามันเข้าไปชอบไปตรงนั้นทในสมัยนะั้นพระอาจารย์มั่นนี่เป็นตัวอย่างครับผมก็ต้องเข้าไว้ต้องไปดูไปพิจารณาเป็นทาที่สําคัญอยู่เป็นสํสาคัญ เป็นสิ่งที่สำคัญผมเลยยึดเอาปฏิปทาท่านมาพิจารณาด้วยกานในความเห็ น, นความรู้ความเห็นของผมสำคัญเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกไอ้พวกรูก้ศิษย์ทั้งหลายโดยมั่นสมายู่เห้อยท่านอาจารย์ชานี่ยจอยู่แต่อาจารย์มั่นแต่เดียวเดียวท่านนั้นจะมีอะไรได้ผมก็ยอมรับ ยอรับแโดยผมเห็นว่นาถ้าหากว่าคนตาบอดนะมันจะนั่งเข้าแสงสักชีวิตหนึ่งผมก็ว่ามันไม่เห็นแสงนี่คว ม, มเห็นผมอย่างเงยจะทูกหรือผิดมันก็ไม่รู้พอเรายินเขาว่าเงี้ยมันก็เกิดรู้ความรู้สึกขึ้นว่าคนตาบอดมันจะนั่งเข้าแสงสักชีวิตหนึ่งผมก็บว่าโอกาสมันจะเห็นแสงเนี่ยไม่ได้ อันนี้คือตึงรงข้อปฏิบัติที่นี่เมื่อเข้าไปที่เยนาแล้วเขาไอ้ข้อปฏิบัติที่เราเรียนมาเนี่ยครับบัญญัติครับมันไม่เป็นที่คอบจิตคอบใจของเราแล้วครับจะพูดง่ายๆฟังไปจงขั้นมหาในทันเรียนเยนบารีครับก็เรียนภาษาตามธรรมดาครับไม่ใช่มาเรียนเนี่ยมันค้นอะไรไปครับมีาว่ารู้ถูกกันนะ ครับอฮะผมพูดความจริงเนี่ยอย่างเรียนนะมาหาเนี่ครับเรียนไปเอเ อ, อ ก, กี่ประโยคเรียนไปมันเรียนภาษานี่ครับแปลภาษานะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะพอบจิตใจของเราให้มันอืในล้านปฏิบัติให้มันดีขึ้นมากยิ่งเรียนก็ยิ่งลืมตัวนี่ไม่ใช่เหยีดทุกคนนไม่ใช่ทุขุผลเสวายฐานะที่เราเรียนเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้น เมื่อผมเขาเข้าไปสู่ข้อปฏิบัติเขาครูาวาอาจารย์มองดูเจ้าของโอ้โหดํบบากมากโคตรง่ายๆนะครับนะอย่างที่พวกเราถือกันมาทำกันมาครับมันผิดหมดนะมันผิดอย่างกรใช้ปัจจัยเงินทองของสังายต่างๆ กายวิญญาต์วากีวิญญาตสารพัดอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าน้ำตาล น, น้ำอ้อยใช่ไหมาเจ็บไว้ฉันหเจ็บวันอย่างนี้เป็นตัวเกลือชันตลอดชีวิตอย่างนี้ยกขึ้นเป็นตัวอย่างเราก็เห็นว่าเกลือเราเก็บไป้แล้วเราชันมันได้ถึงนั้น ไอ้พวกนี้เอาใส่แกงก็ได้เอาใส่อะไรก็ได้แค่นั้นแหะน้ำตาลเก็บ เ, เลยชันในเจ็วันในระยะเจ็วันนี่ท่้งนั้นอืมนะเราจะจะไปทํากัะทิอะไรก็ได้จะไปทําอะไรก็ได้เจ็ดวันซ้อมเข้าใจความเป็นอย่างนั้นไอ้ตอนเป็นจริงเข้าสู่ข้อปฏิบัติโอโ้โหแต่เราโก ว, ว่ามันปันเนี่ยแต่เราไม่ได้พิจารณาให้มันถึงที่มัน เห็นว่าน้ำตาลเก็บวันนี้เพื่อเป็นยาเท่านั้นเกลือตลอดชีวิตนี่เพื่อเป็นยาเท่านั้นเจ็บเกลือในวันนี้พรุ่งนี้จะไปทําอาหารไม่ได้เจ็บน้ำตาไในวันหนึ่งในเจ็บวันเฉพาะเป็นยาเท่านั้นเจ็บได้ข้างคืนเนี่ยจะไปทำกะทิไม่ได้จะไปกินกับอาหารไม่ได้จะไปฉันเป็นอาหารในพรุ่งนี้ก็ทิ้งเท่านั้น พอไปถึงข้อประทฤตปฏิบัติโอ้โหไม่ได้เลยครับเราต้องทิ้งกันเราก็เล่นกันมานานแล้วเจ็บนันตรงน้ำตาลเนี่หกวันนี้7็วันเนี่ยเราจะไปทากะทิอะไรไปทํามหารก็ทำไปตามเรื่องเลยครเพื่อเก็บในตลอดชีวิตเอาไปทํามหารนี่เฉพาะเป็นยาเท่านั้นเนี่ยเฉพาะเป็นยาถ้าเราคิดไปว่าโอเบื่อเลยครับผมเบื่อ เบื่อชีวิตเจ้าของหรือบวชกมาในพุทธศาสนานมองมองดูไปเจ็ดปีแปดปีมองไปข้างหลังรูว่าเราปฏิบัติถูกต้องเรียนก็เรียนมานี้ยมันไม่เห็นครับเสียหายมาหลายปัจจัยเงินทองกระพายใหย่งยญ่ใหย่เลยไม่รู้ว่าเราผิดครับไม่รู้ว่ามันจะได้ โดยมากพวกคือวาอาจาร์ฝ่ายกรรมฐานมหาิกายนั่นอยู่ตามทามตามเขานะครับที่ผมไปดูไม่ใช่รู้ถูกหรอกครับแค่นั่งสมาธิเก่งแต่ว่าเอาเงินใส่ยากเอาน้บตาลใส่ไห้ไว้ทำกินเองสารพัดอย่างครับนี่โยมมันไม่ดูเรื่องอะไรกัน อความเป็นจริงนั่นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่เราควรปฏิบัติวัดต้องประโปรงองนีไหมครับแต่ว่าญาตาหนึ่งมีพระเทราองค์หนึ่งมาตอนเย็นแจกน้กำตาลกันแอ้เป็นฉันท่านก่อจะหิวอะไรว่างก็ไม่รู้ท่านก็เก็บไว้คืนหนึ่งเอาใส่ยามาตอนฉันจะกเมื mm ่อ hmm. ฉันจะกิน เก็มาวางย้ามไว้เงี่ยววางเนีน่เนนเ้นถวายยามเน้ถวายย่ามผม ก, ก็มองเอ๊ะทาไมกลัวย่ามจะฟองเลี่ยจะพายมาเจกติเดี๋ยวมาวางก็กลัวซะแล้วถ้าไม่กลัวย่ามจะฟองเนกกี่ ย, มาาม ย, มยผมก็เลยบอก ว, าวา่าท่านอาจารย์ทำไมกลัวย่ามอะไรในนั้นทอด น, น้ำตาลน้าตาลมาจะไหนครับเก็บมาจะบาวานี้ทำไมถึงกลัวมานเนี่ย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 อย่างนั้นก็ต้องทํากันผมก็เคยเป็นมาทํามาน้าตาลเก็บมาเทอาไม่รู้กี่วันกี่วันกี่เรียนกี่ปีก็ไม่รู้แหละครับใครมันหมดนั่นแหละเป็นอายุของมันนี่แหละทั้งๆคณะกีเรียนหนังสืออยู่ทั้งครูว่าอาจารย์ที่เรียนกันอยู่ไม่เคยจะรักษาอันนี้ครับอย่างนั้นเรียนเนี่มันก็ไม่รู้จักแล้วผมว่า ถ้าคนเรานะอะ่ไม่มีความระยไม่มีความกลัวแล้วเขก็ไปไม่ได้จะเข้าประโยชน์เไปไม่ได้ไม่ใช่นักปฏิวัติไม่ใช่ดูกศิทธะก็ไปไม่ได้ะจะรู้สมเท่าไหร่ก็ช่างเกิดครับไปไม่ได้อันนี้มองภูมิภาที่เราทำมาดีที่เสียหายหลายอย่างไม่สมกับการกับพืชปฏิ มันไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้จริงๆไม่รู้ท่านจึงบอกว่าให้รู้ในสิ่งให้ให้พิจารณาให้มันรู้ในสิ่งที่เรารู้ให้พิจารณาให้รู้ในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่รู้อันนี้จะเป็นของฝังยากประการที่สองเพราะว่าจากว่าใคร ไม่เห็นโทษด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละผมมาละนี่ครับไม่เห็นประโยชน์ในการละเช่นนั้นเนี่ยก็ปฏิบัติไปไม่ได้ครับไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมรับนี่ความเห็นผมเป็นอย่างนี้ควนมาปฏิบัติฮระเนรมาปฏิบัติที่จะยอมรับปฏิบัตินี่ผมว่ามันน้อยไม่ค่อยมีครับ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 ไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งการกระทําเจนนั้นแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้จะอยู่ไปก็อยู่เลยครับไม่ไปดังนั้นอันนี้มันเป็นมันเป็นข้อเราจะต้องพิจารณานะ<ม>ยังอีกไม่หลายเรื่องครับเรื่องผู้ใหญ่กับเรื่องเด็กๆมันยังหลายอย่างครับเรื่องผู้ใหญ่เนะี่ยมันน้อยเรื่องเด็กนี่มันเหลืออยู่มาก มันแดกอยู่ยมากถ้าากว่าองค์ลให้มีความละอายหร้อมีความกลัวนั่นเนี่ยองค์นั้นเนี่ยครับจะทำศิลให้บริสุทธิ์เป็นพรหมจารย์ได้<ม>ถ้าใครไม่มีความกลัวแลือความอายนี้เฉ<ม>พาะในใจจะของเนี่ยเพราะมันไปยากดังนั้นพวก พระเนนเราจะไม่ยอมรับคำสอนขอ ง, ของพอระพุทธเจ้าตามความจริงอันนี้มันผิดนิดน้อยอ ะ, ะนั้นไม่ทุกนิดไม่ค่อยจะทำกันเสียหายหลายคนที่สุดเลยเป็นคลุ่มเป็นก้อกันฉะนั้นปีนี้น่ะมีพระเนนสัญจรมาจากถิ่นฐานอื่นมาก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 ไอโยมีมันก็สําคัญเนี่ยเอาดานมาบวชเอาลูกชายมาบวชอย่างเราเอาขมาตรงนั้นเนี่ยเอาน้าตาลมาฝากลูกชายเอานมมาฝากลูกชายเอาบุตรีมาฝากลูกชายสารพัดอย่างนอกจากนั้นไปพ่อแม่ไปมาเพื่อนมันย่องขมาตรงโั้นอีก น, นี่ครับจากิพระเ น, นรเป็นพระเป็นเนเสียหมดเนี่ยครับอยู่ในป่า เราเห็นว่ามันเน็ดจะเหนื่อยก็ให้ี่อนผันไปตามเรื่องก็ไม่ใช่ครับแล้วก็เอาเตาอังโลมาวางยู่ในกระปิกนนีนแหละต้มน้ำสุตรหาน้ตาลมาหานมมาสารพัดอย่างจิ้มกันไปครึนี่ครับเพราะมันมากมาเต็มทีเราเสียหาย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 คนที่ไม่มีศรัทธานี่มันยากมันลําบากอาการทุ่งตาแห่งเห็นมาอยู่กับผมแล้วมันยากก็อยู่กับผมแล้วมั น, ย า, มนยากนะไม่รู้ครับไม่รู้เมื่อมาอยู่มาถึงคอวัดเข้ามาเนี่ย ล, ลบากนะครับดังนั้นที่มาอยู่นี่ผมจึงห่าป่วยก็เป็นป่วยกันโต๊น้ำร้อนเป็นยาเป็นป่วยครับก็ให้คนป่วยขอ้อห้าง นี่นัครับอาการต้มน้าในรถเข็นหนึ่งครับรถเข็นที่ทุกไปเนี่ยเต้นเลยครับให้พระเนนออกสนิทขนเรากาหน้ามากาที่ไปต้มน้ากันดีครับมันเดือเกิด น, นี่มันไปถึงไหนนี่ไอ้ที่ยาจริงๆนะครับมันเจ็บมันป่วยมันเป็นยาต้มน้าเป็นบางครั้งบางคราวมันแบ ต้มน้ำชันน้ำตาชั้นน้ำชาชั้นอะไรกันนี่ครับมันไม่ใช่เป็นยาซะแล้วครับมันเป็นเหตุนให้เสียทั้งนั้นดังนั้นผมจึงปิดการต้มน้ำร้อนฉั้นจะเป็นกลุ่มในเรื่องไม่เ อ, เ, ออเอาเอาอ่าโรูอ่างนึ่เอาออกแม้ไปในกุฏิไม่ได้อามารวมจี่ให้ชั้นยาเฉพาะวันพระที่เขามาถวายวันพระใช่มาม มีกาแฟเขาถวายก็ฉันพอแล้วมีนมมีเนยตอนช้าเขาชงมาฉันจังหั้นเดือกประชันไปให้พอลแล้วเท่า น, นั้นปีนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นให้บอกไว้ทุกวงน่ะให้รู้จักไว้คือคนหย่อนไปตามพิษสูตรสามเดือนพวกมาสู่นี้ไม่ในนี้ทั้งนั้นก็มีแต่วารเส่อมทั้งนั้นแหละไม่เอาแหละไม่เอา ดังนั้นผมจึงบอกก่อนพรรษาว่าใครจะปฏิบัติอยู่ได้ไหมทำได้ไหมอะไรไหมยายมันเดือดร้อนทำตามพระบินายเนี่ยมันได้บอกก่อนพรษาไวา้มาอยู่นี่ก็ต้องทำอย่างนี้ครับใครก็ช่างเดิมมาจัดไหนก็ตามต้องทาอย่างนี้ถ้าก็มันผิดก็ไปเปิดดูพระบินายเอาทั้งหมดเลยครับอ่านได้แล นี่ถ้าเราหวังนี่ก็ต้องทำแบบนี้าการใช้ผ้าอะไรต่างๆทุกคใหญ่ทาแต่ในน้อยมันทําพื่อความอยากฝ่ายีวอนสามพื้นสี่พื้นเอาดีสักดีสิสักเลยสักพื้นนี้เหลือพื้นอืนเต็มตากตัวในสักมันลาบากเองผ้าสามพื้นนัก็พออยู่แล้วยีวอนกับสังคาติเท่านั้นเนี่ยซบงหนึ่งพืนเนี่ย เนี่ยปลื้นสองขล า, าดพลาดพอแล้วครับสบายแล้วทำไมมันมีอยู่ครับไม่มีมันขาดเลยขอดีผพ้นบรวชรนาแล้วนี่ไม่จาเป็นจะต้องไปเจ็บให้มันมากต่มันยุน่งเราถึงนั้นนี่ครับเพื่อความสะดวกเราถึงนั้นนี่ขอจะเอาสิ่งที่มันจำเป็น การที่สองก็เกิดเรือดร้อนที่มาเกิดมันยน่งพระมาจากถิ่นดืนไหนได้เงินมาเอาไปฝากก็ขาวไว้นี่อันนี้ก็เป็นเหตุอีกแล้วครับเดยกก็พาไปซื้อของเดยกก็สั่งโน้นสั่งนี่ตลอดการเลยเออไม่ใช่เป็นคนเฉ่ยมัดน้อยอยู่ลำบากบางทีอุบาสก้าหนีไปเลยครับ เยเอ เ, ยเอาน้ำเนี่ยเอาน้ำอ้อยเยอเอ้อนั้นเนี่ยเอาเอ า, าภาษาความอยากบางทีพระบางองค์เป็นคนใจดีนะเน้นเนี่ยต้น้าร้อนจะได้ตรงไห น, นก็ไม่เคยว่าเดี๋ยวก็ไปคนนี้ก็ไปแล้วคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนนี้ก็ไปม า, าเห็นพระองค์งนี้เนินตรงนี้ใช้สบายต้มนี้ลาคาญค น, นี่ครับนีี่ครับนั่นเป็ของจิตสัมพันธ์ ยานี่ผมพมูดมายามันเป็นโรคจริงๆเนี่ะครับนั่นแหละเป็นมาหาผมไปโรงพยาบาลก็ได้ครับยานว่านน้ำยานี่มันพอไม่ได้แล้วครับอันนี้ตัดมันออกนะฉันได้เมื่อว่าเขาฉันจากนั้นเขาต้มมาเขาทำามาฉันกี่เข า, าเารีนะ้ไปสะดวกมา ปีหนึ่งผมเนี่ยแสนเนรเสรือนลูกจิ์ของผมปอกกรรังไปอยู่เขือนท่านวิทย์เป็นหัวหน้าผมไปแย้มโมโหซะเอาลังแท็กซี่เอานังกาลไปถวายมี้เคยฉันเลิกฉันกันเลยครับแท็กซี่ก็ลาเลิกกันเลยจุกจิบไม่ต้องฉันเนี่ยนอกจากว่ามันเป็นไข้มันเป็นโรคจริงๆครับอันนี้ไม่ฉัน เลิกกันมันสบายเดืนะ้อเกินครับน้ำผลไมมากรองดีสะอาดแล้วหันเน้่ยถามผ้าครังว่าทำไมห่วงน้ำแข็งไหมทำไมหิวไหมนไม่มาอยู่ที่นี่ผมว่าผมว่าไม่มีโรงน้ำแข็งกันแล้ว นี่กัทำที่สบายของเราอืพวกเราปีนี้ก็เหมือนตันนิดนองปีนี้ต่อไปนี้อีกที่เริมานี่ก็เหเมินกันจะต้องทำไม่จิบจับจับแล้วฉันมือเรียวเดี๋ยก็เลิกแล้วนะเอาอะไรมันเนี่ยผ้าก็จะใช้มันมากเลยแต่มันสองพันด้วยนะเนี่ยจนะล้มกับสองพันด้นะอันนี้จะต้งคากีวอนด้วยนะ เด็กๆตากที่ไหนก็ได้ครับมันรักษาง่ายอืบางคนก็สองพื้นสาพื้นหุ่นวายตลอดคนที่ง่ายก็ง่ายที่สุดคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องดูเทพีนี่ไม่ถึง้าภาษาเลยสรงพระประยูนั้นเนี่ยหนีมาแล้วทําไมถามอ่ะอืไม่สนุกคําพูดอันนี้มันเป็นคํำพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะ โดยระ ว, วดมาเพื่อความสะดวกกันเนี่แล้วก็มีเรืออีกองหนึ่งนี่สมเด็จปูม่วงกลับมาเลยครับมาตรงนี้อีกห น, นีไปอีกไม่ต้องบอกใครเนี่ยนี่นมันเป็นอย่างนี้ปรกกันทางไลน์ก็ไม่ใช่ทัวคนอันนี้มันอันนี้มันใช่ไม่ได้แล้วเสียหายมากที น, นี้นี่พึ่งเอามาไว้ในวัดามาไวในวัดมาไว้นีด ปฏิวัติครูว่าอาจารย์ว่าท่านอยู่กติหลังนี้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอยู่สาขาเนั้นก็ต้องไปไม่มีอันตรายนะไม่เป็นอันตรายพระเนมเขาไปอยู่ได้อะไรเ้าก็อยู่ได้นี้มาเพราะว่ามันไม่สนุกคำพูดตัวนี้นะครับมันเสื่อมเสียหายมากเหลือเกินพวกเราต่อหนายจะไปคิดเช่นนั้นสิทุกคนไปคิดเช่นนั้นไม่ได้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 ที่เรามาทํานี่ที่เรามาปฏิบัตินี่นี่ใ่บัตเรามาทําตามใจเราพระพุทธเจ้ า, ท, าจท่านก็ไปทํำตามใจของท่านเนาะถ้าทําตามใจของท่านท่านก็มาเห็นไม่เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเราแค่มาทำตามใจเจ้าของ ใจจะของจะทําเพราะตัญหากินเพราะตัญหาเดินเพราะตัญหานอนเพราะกัญหานั่งเพราะตัญหาเราเอาตามใจเราก็ทําการใจเราก็เป็นตัญหาทําตามตัญหาแต่นั้น